26. ่คันธะทุกะ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย18สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่จำปยุตตะคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมบยุตัขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมบยุตักขันคันทะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัย ส, สิสภาวธรรมที bağ, ing, уже, grac, ่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะันและจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะคันทะ โดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันคันทะและจิตตสมุานรูปโดยเหตุปัจจัยยี่สิบสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตธจาคันทะโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมพยุติาขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สมยุติขันธ์คันทะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณะปัจจัยยี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบคันทะคันทะจึงเกิดขึ้น เพิ่เพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบคันทะขันที่ไม่เป็นคันทะจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบคันทะคันทะและสัมยุญตขันจึงเกิดขึ้น22สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยระมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้น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 รูปายตานะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณผูถพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปูเพเนวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะคยานอนาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยระมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลิงกุศลนั้นเพราะปรารุความยินดีเพลเพลงกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมณัจจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลเพลิงกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วยินดีเพลเพลิงฌานจากสุมาทัยวัตถุขันที่ไม่เป็นขันธะเพราะปรารุความยินดีเพลเพลิงฌานเป็นต้นนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นโทมันะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยอรมณ์ปัจจั ย, ยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลขุศล น, นั้นเพราะปรารก ค, ความยินดีเพลเพลขุศล น, นั้นคันทะและสัมปยุตขันจึงเกิดขึ้นยินดีเพลเพลขุศนที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้ว ออกจากฌานแล้วยินดีเพลเพลฌานจากสุหะไทยวัตถุขันที่ไม่เป็นคันถะเพราะปรารกความยินดีเพลเพลฌานเป็นต้นนั้นคันถะและสัมมิุตขันจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันถะและที่ไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันถะโดยรมณปัปจจใจมีสามวาระพึงเพิ่มคำว่าเพราะปรารบด้วยอธิปติ ป, ปัจจัยสิบสาม สภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยทิปติปัจจัยมีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับอารมณ์ปัจจัยพึงทําให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาทิปติและสหชาตาทิปติอารมณาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ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 ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแข่งสำปรยุตธ์จขันธ์และจิตตาสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ที่เรณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานยินดีเพลิดเพลินจากสุขธาตุวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นขันธะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นชาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นขันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธะโดยทิปติปัจจยัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันถะและที่ไม่เป็นคันถะโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานละถึงยินดีเพลิดเพลินขันที่ไม่เป็นคันถะให้เป็นอารมณ์หนึ่งหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์หนึ่งหนักแน่นคันถะและสั ม, มยุตตะขันจึงเกิดขึ้นสหชาตาทิปติได้แก่ อธิบดีธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันคันทะและจิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาทิปติมีสามวาระอนันตรัปัจจัยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะ โดยอนัตตรปัจจัยได้แก่คันธะที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่คันธะที่เกิดหลังๆโดยอนัตตราปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอนั ừng, ตตราปัจจัยได้แก่คันธะที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนัตตราปัจจัยคันธะเป็นปัจจัยแก่วุธธานะโดยอนัตตราปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่คันทะที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่คันทะและสัมปยุตตะขัน์ที่เกิดหลังหลังโดยอนันตรัปัจจัยยี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยอนันตรัปัจจัยมีสามวระพึงเพิ่มอวชนะจิตทั้งสองไม่มีในที่หนึ่ง สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยอนันตรัปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มมุธฐานะอย่างเดียวในถ้ำแกลงก็พึงเพิ่มสมนันตรัปัจจัยเป็นต้นยีสิบสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยสมนันตรปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีห้าวาระ เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยในึ่งฆาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยในึ่งฆาระอุปนิสยปัจจัยยี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาณิสยอันันตารูปปาณิสยและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปนิสยได้แก่ คันธะเป็นปัจจัยแข่คันธะโดยอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระยีสิบเสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมโนปนิสยอาอเนนตารูปนิสยและปกะตูปนิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละถึงมีมา n ะเธอทิฏฐิ อาศัยศีลเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสงศาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สัทธาพระสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันถะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปนณิสยอาอันันตารูปาิสยและปะกะตูปาิสยะปะกะตูปณิสยได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลและถึงอาศนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาอานาสนะเป็นปัจจัยแข่ราคะความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยอนันตรูปาณิสยแลปะปกระตูปาณิสย ปรกาตูปานิสิยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัท ธ, ธาแล้วมีมานะเถรทิฐิอาศัยศีลเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัท ธ, ธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่คันธะและสัมปยุตตะขันโดยอุปาณิสิยะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอุปาณิสิยะปัจจัยมีสามอย่างคืออารมาโนปานิสิยะอนันตารูปานิสิยะ และประกาตูปานิสียะประกาศตูปานิสียะมีสามวาระพึงเพิ่มไว้ตามในแห่งอารมณปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้นสาสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขูฟังเสียงด้วยที่ประสโสมธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขคุวิญญาณโพธภ า, ายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุปุเรชาตะได้แก่จัคขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขคุวิญญาณกายญายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทายวัตถุเปาา็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นขันธะโดยปเรชาตาปะปัจจัย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 ภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันทะโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณพุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอรมณพุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพื่อเพลินจากสุขภาไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพื่อเพลินจากสุขเป็นต้นนั้น คันธะและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่งคันธะและสัมปยุตตะขัน์โดยปุเรชาตะปัจจัยระถึงเป็นปัจจัยโดยปัชชาชาตะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาศวณัปัจจัยมีเก้าวาระกรร ม, มปัจจัยสาสเอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นคันธะ เรกรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจแจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยกระมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกระตะตารูปโดยกระมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยกรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันคันทะและจิตตสมุทานรูปโดยกรมมปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้น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 สาสสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดวยวิบิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉาชาติยอ่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมทีท่ไม่เป็นคันทะโดยวิบิยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะยอ่อ สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันทะโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันทะและสัมยุตตะขัน โดยวิบยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะ th และที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะ th โดยวิบยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัชาชาตะยอ่ออธิปัจจัยมสิบสสภาวธรรมที่เป็นคันทะ th เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะ th โดยอธิปัจจัออยมีหนึ mm ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวารสะสภาวธรรมที่เป็นคันทะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันะะทะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันทะเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันทะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะ โดยอธิปัจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระสาสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะโดยอธิปัจัยมีห้าอย่างคือสหชาติบรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยอธิปัจัยมีสองอย่าง คือสหชาติได้ปุรเรชาตะสหชาติได้แก่คันที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่คันทะโดยอธิปัจจัยปุรเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันทะโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่ขันสามคันทะและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิอเพลินจากสุขหาไทยวัตถุเพราะปรารพความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้น คันทะและสัมปยุตตะขัน์จึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันทะและสัมปยุตตะขันโดยอธิปัจจัย36สภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปูเรชาตะสหชาตะได้แก่สีและปตประปรามาจากายคันทะและสัมปยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่อภิชากายคันทะ โดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจากขภัยสหชาตะได้แก่สีละปัตตประมาจากกายคันธะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อภิชากายคันธะโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจากขภัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคกอสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะ อาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันทะและคันทะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทารูปโดยอธิปัจจัยและถึงขันสองสหชาตะได้แก่คันทะและหาัยวัตถุเป็นปจัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นคันทะโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่คันทะและมหาภูตรูปเป็นปจัจจัยแก่จิตตสมุทารูป โดยอธิปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและสัมยุญตะขันเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและโกรลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและรูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอธิปัจัยสภาวะธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันทะและศีลพตะประปรามาณสกายะคันทะเป็นปัจจัยแก่ขันสามอภิชากายะคันทะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิ ป, ปัจจัยพึงผูกเป็นจักกนัยสหชาตะได้แก่ศีลพตะประมาณสกายะคันทะ และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแห่อภิชากายัคันธะและสัมปัญตจะขันธ์โดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจักรในหนึ่งปัจจายานุโลมสองสังขยาวาระสุทนัยสาสิบเจ็หตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระ ภูเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสมวาระอสิวะนปัจจัยมีห้าวาระกามปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหารปัจจัยมีสาวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสมปยุตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตปัจจัยมีห้าวาระ อธิปัจจ <that> ัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจญายุทธาระสามสิบปดสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะโดยระมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยระมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยระมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยระมณปัจจัย ชาต songs, blind, ิปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรรมปัจจัยอหารัปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมทีท hmm? ่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นคันธะ และที่ไม่เป็นคันถะโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยและปุเรชาปตปัจจัยสี่สิสภาวะธรรมที่เป็นคันถะและที่ไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นคันถะโดยอรมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นคันถะและที่ไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันถะ โดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสองปัจญญปัจญญาสองสังคยาวาระสี่สิบเอ็ดนัเหตุปัจจัยมีกล่าววระ ณอรมณะปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจใจละเก้าวาระโนอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระสปัจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกกันใน 42. ่อาณอรมณปัจใจกะเพรตุปัจใจมีเก้าวาระละถึงณสมันตระปัจใจมีเก้าวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสีปัจใจมีเก้าวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระนมัคคะปัจจัยม er <|ja|>> ี9้าวาระณสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยม um ีเ้าวาระโนนัติปัจจ mm. ัยมี9้าวาระโนวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ 4. ปัจจยะปัจจญญานุโลม 43. อารมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระ พเพิ่มบทอนุลมให้บริบูรณ์อวิคตาปัจจัยในฆ้าวาระคันธทุกกะจบยี่สิบเจ็ดคันทานิยะทุกะหนึ่งถึงเจ็ดวาระสตะกะในสี่สิบสี่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของคันทะย่อ พึงจำแนกเหมือนโลกิยทุกะในจุลันตระทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันคันถานิยธทุกะจบยี่สปดคันถาสัมปยุตตทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่ง ปัจญานุโลมหนึ่งวิพังฆวาระเหตุปัจจัยสี่สิห้าสภาวธรรมที่จำปยุทธิ์เด็กคันทะอาศัยสภาวธรรมที่จำปยุทธิ์เดคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่จำปยุทธิ์เดคันทะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ ส, ส <St>. ัสสมปยุทธิ์เด็คันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธเด Lucas ็กันทะเกิดขึ้นโลภะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สะหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิเกิดขึ้นปฏิคะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหัรคตด้วยโทมนันเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธเด็กคันทะและที่วิปยุทธจากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธเด็กคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สรรพยุทธิขันทะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองขันสามโลภะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สห้รโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธิจากทิฏฐิเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองขันสามปัิจคะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สห้รักด้วยโทมนัสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สีสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุจจากคันทะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิเกิดขึ้ น, นจิตตสมุทฐานรูปอาศัย ป, ปฏิภะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ละถึงอาศัยขันยอ่อสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่สัมปยุทธ์ตะขันอาศัยโลภะที่วิปยุทธิจากพิจิเกิดขึ้นสัมปยุทธ์ตขันอาศัยปฏิฆะเกิดขึน้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยคันทะและที่วิปยุทธิจากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นสัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้น 47. สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยคันทะและที่วิปยุตจากคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สรคต ด, ด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิ และอาศัยโลภะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองขันสอาศัยขันหนึ่งที่สหรรคด้วยโทมนัสและอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะและที่วิปยุจจากคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปปตุปจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่สัมปยุจด้วยคันทะ และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่โสรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่โสรคตด้วยโทมนัสและอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะและที่วิปยุจจากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะและที่วิปยุจจากกันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สหรัรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สหรัรคตด้วยโทมานั์และอาศัยปฏิแฟกเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองอารมณปัจจัย48สภาวะธรรมที่แสนปรยุทธ์ด้วยคันธะ อาศัยสภาวธรรมที่ 3, สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเกิดขึ้นเวละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุทธจากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่โลภะอาศัยขันที่สหรกตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฐิเกิดขึ้นปฏิคะ อาศัยขันธ์ที่สห้รคตด้วยโทมันทะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันถะและที่วิปยุทธ์จากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันถะเกิดขึ้นเพราะอาริมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโลภะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองขันธ์สามและปิติภะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สห้รคตด้วยโทมนัะเกิดขึ้น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 อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่สัมปยุจจาขันอาศัยโลภะที่วิปยุจจากพิฐิเกิดขึ้นสัมปยุจจากขันอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะและที่วิปยุจจากคันทะเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหโรคด้วยโทมนั์และอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขั น, ข น, 3, อขน 1, สอยนงอ ย, ย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังคยาวาระสุทนัยห้าสิุปัจใจมีห้าวาระอารมาณะปัจจัยมีหกวาระ อธิปติปัจใจมีเก <unhappy. S 1> ้าวาระอานันตรัปัจจัยมีหกวาระสามันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญาปัจจัยมีหกวาระนิจญาปัจใจมีเก้าวาระอุปาณิสียปัจจัยมีหกวาระบุเรชาตตปัจจัยมีหกวาระอาเสวะนัปปัจใจมีหกวาระกรรมะปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีเ้าวาระอินทริย์ปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีเ้าวาระมัคคปัจจัยมีเ้าวาระสัมพยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนัตติปัจจัยมีหกวาระวิคตาปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอนุโลมจบสอง ปัจญยปัจญนียหนึ่งวิพังขวาระนเหตุตุปัจห้าสิบเอสภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปั จ, จได้แก่ขันธามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจากคันทะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะ พเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจจะมาใัยขันที่สหรคตรด้วยวิชิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจจะเกิดขึ้นยอ่อ 2. ปัจจะยปัจจญิยะ 2. สังคยาวาระสุทนไน 52. นเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารมณะปัจจัยมีสามวาระ น้าเปติปัจใจมีเก้าวาระหนอนันตระปัจจัยมีสามวาระหนสัมมันตระปัจจัยมีสามวาระหนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระหนอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระหนปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระหนปุเรชาตะปัจจัยเมื่อจะจำแนกพึงจัดอรูปไว้ก่อนพึงจัดรูปไว้ในที่ที่มีได้ในภายหลังส่วนในอรูปไม่มีปฏิฆะ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 โนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจจนนยะห้าสิบสามณอารมณะปัจัยกเพตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจัจมีก้าวาระพึงนับอย่างนี้ย่อโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจยะปัจจนญานุโลมห้าสิบสี่ อารมณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระแม้สหาชาตะวาระก็พึงทำอย่างนี้ 28. คันทะสัมปยุตตทุกะ สปัจยจาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจห้าสิบห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธเดียกคันทะทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธเดียกคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระเหมือนฝาปฏิจจวาระสภาวธรรมที่วิปยุทธจากคันทะทำสภาวธรรมที่วิปยุทธจากคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ได้แก่ทำขันหนึ e gate, ่งที่วิบยุจจากคันถะละถึงในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาโพธิรูปหนึ่งขันที่วิบยุจจากคันถะธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยคันทะทำสภาวธรรมที่วิบยุจจากคันถะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วขันธะทําอหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุทธ์ตะขันธ์ทำโลภะที่วิปยุทธ์จากทิฏฐิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุทธ์ตขันธ์ทำปัจฉะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วขันธะและที่วิปยุทธ์จากขันธะทําสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วขันธ์ ทำอทาทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยจจุตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปทำโลภะที่วิปิยุตจากทิฏฐิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยจจุตขันธ์และจิตตาสมุทฐานรูปทำปติฆะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่วิปิยุจากทิฏฐิและโลภะธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่จะหัรโคด้วยโทมานะและปฏิฆะ ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสิหสภาวธรรมที่สัมปยุตยคันทะธรรมสภาวธรรมที่สัมปยุติคันทะและที่วิปยุติจากคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสามธรรมขันหนึ่งที่สัมปยุตยคันทะและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงธรรมขันสองขันสามธรรมขันหนึ่งที่สหรกรคด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจจากทิฐิธรรมะไทยวัตถุและโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำรรขันสองขันสามทำขันหนึ่งที่จะหรบคดด้วยโทมนัตธรรมรร waving, ะไยวัตถุและปติฆะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่วิปยุจจากาาาจคันทะทำสภาวะธรรมที่สัมปยุตได้ขันทะและที่วิปยุจจากคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สหรกรคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและทำโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สหรกรคด้วยโทมนัสและทำปฏิฆาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโลภะทำขันธ์ที่สหรกรคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิ และธรรมะไยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโลภะทำขันธ์ที่สหะรโครด้วยโทยมนั์และธรรมะไยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นปติฆะทำขันธ์ที่สหรคตรด้วยโทยมนั์และธรรมะไยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยขันทะและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและธรรมะหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่สหร๊คตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและทำโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งและปฏิฆะที่สหรคต ด, ด้วยโทมนั์เกิดขึ้นและถึงทำขันสองขันสามและโลภะทำขันหนึ่งที่สหรต ด, ด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองขันสามและปฏิฆะทำขันหนึ่งที่สหรต ด, ด้วยโทมานั์และธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละถึงทำขันสองย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนห้าสเจเหตปปจจปจจปปุปัจจัยมีเ้าวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตรปัจจัยมีเ้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยปัจจเนยะหนึ่งวิพังควาระนเหตุปัจจัยห .8 สภาวธรรมที่วิปยุจากคันธะทำสภาวธรรมที่วิปยุจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่และถึงที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจากคันธะ ในปฏิสนธิคณะที่เป็นอเหตุตุกะเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสารพรมจกขววิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากคันะทะธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรกรโค ด, ดุวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทัจฉาทำขันธ์ที่สหรกรโค ด, ดุวิจิกิจฉา ที่เสหรักโทด้อุทะจะและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อ 2. ปัจยะปัจญจิยะ 2. สังคยาวาระสุทไนัยนาสินเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระหนอธิปติปัจจัยมี9้าวาระหนอนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงหนอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระ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 นวิปยุตตาปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจญิยะ60สินอารมณะปัจใจเขเพถุกปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจใจมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้ 4. ปัจญะปัจญิยานุโลมหกเอ อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยาวาระเหมือนกับปัจจิยวาระยี่สิบแคันทะสัมปยุตตะทุกะหสังสัถาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขาวาระเหตุปัจจัยสิสองสภาวธรรมที่สัมปยุติคันทะ เกิดรกนกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธเดชคันทะเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกนกับขันหนึ่งที่สัมปยุทธเดชคันทะและถึงเกิดรกนกับขันสองสภาวธรรมที่วิปยุทธจากคันทะเกิดรกนกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธเดชคันทะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โลภะเกิดรกนกับขันที่สหรคต ด, ด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิปติคะ เกิดรกรกับขันที่สหรคตด้วยโทมนั์สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและทิวิปยุทธ์จากคันทะเกิดรกรกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและโลภะเกิดรกรกับขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิและถึงเกิดรกรกับขันสองขันสามและปัิคะเกิดรกรกับขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโทมนั์ เกิดรักคนกับขันสอง 63. สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่วิปยุจจากคันทะและถึงเกิดรักคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุจเดียวันทะเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตะขันเกิดรกนกับโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิสัมปยุตตขันเกิดรกนกับปัจจคะสภาวธรรมที่สัมปยุตได้คันทะเกิดรกนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตได้วยคันทะและที่วิปยุตจากคันทะเพราะเหตุตัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกนกับขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและเกิดรกนกับโลภะและถึงเกิดรกนกับขันสอง ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่โสรคด้วยโทมานต์และเกิดรักคนกับปฏิฆะละถึงเกิดรักคนกับขันสองย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระหกสิบสี่เหตุก ป, ปัจจัยมีหกวาระอารจจหารันต์ปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหกวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปั จ, จนิยะหนึ่งวิพังควาระนเหตุตปัจจัยหกสิบห้าสภาวธรรมที่วิปยุจกคันธะเกิดรกควกับสภาวธรรมที่วิปยุจกคันทะเพราะนเหตุตปัจจัยได้แก่ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจกคันทะและถึง ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะโมหะที่สหรครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรครด้วยอุทจจะเกิดรกรับขันที่สหรครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรครดด้วยอุทจจะย่อสองปัจยยะปัจญจิยะสองสังคยาวาระหกสิบหน่เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน่าที่ปฏิปัจจัยมีหกวาระน่ปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระ นปัจฉาชาติปัจจัยมีหกวาระนาอเสวณัปจัยมีหกวาระนกรรมะปัจจัยมี่วาระนวิปากปัจจัยมีหกวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระสปัจญานุโลมปัจญียะหกสิบเนาทิปติปัจจัยะเภรตุปัจจัยมีหกวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนาปชาชาตปัจจัยมีหกวาระนอเ세วนปัจจัยมีหกวาระนากรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากะปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตะปัจจัยมีหกวาระ 4. ปัจยปัจญิยานุโลมหกบแปอารมณปัจจัยกับนาเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระอานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจำปยุตตะวาระเหมือนกับสังสัทะวาระ